วันนี้พวกเราก็ได้เข้ามาหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากันอีกครั้งหนึ่งการเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็พราะว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตภะวตาธโม คือเป็นธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วถูกต้องทุกประการถูกต้องทางเหตุและถูกต้องทางผลคือเหตุก็เป็นจริงเป็นความจริงผลก็เป็นความจริงผู้ใดถ้าได้ปฏิบัติตาม เหตุที่ได้ทรงแสดงไว้ก็จะได้รับผลที่ทรงได้แสดงไว้เช่นเดียวกันเหตุก็คือทานศีลภาวนาผลก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่คือความจริงของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็เป็นอากาลิโกคือเป็นจริงตลอดเวลาเป็นจริงในสมัยพระพุทธการก็จะเป็นจริงในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีความแตกต่างกันได้อย่างใดเวลาที่ผ่านไปนี้ไม่ได้ลบล้างความจริงของพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็เป็นสันดิทิโกเป็นธรรมที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นสวาขาโตภะวตาธรรมโมหรือไม่เป็นอากาลิโกหรือไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปหาหมอแล้วหมอให้ยารักษาโรคมารับประทานถ้าเราไม่รับประทานยาที่หมอหมอบมาให้เราก็จะไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มหนี้ สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปได้หรือไม่พราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนอยารักษาโรคใจที่ผู้ที่มีความทุกข์ใจมีโรคใจต้องการที่จะรู้ว่ายาของพระพุทธเจ้านี้รักษาโรคใจได้หรือไม่ ก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือรับประทานยาตามที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้นั่นเองยาที่ทรงมอบไว้ให้ก็มีสามชนิดคือทานศีลภาวนาให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาแล้วผลก็คือความดับ ของโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจก็จะปรากฏขึ้นมานันเรียกว่าสันทิโกเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเป็นโอปะญโกเป็นธรรมที่เราต้องน้อมเอาเข้ามาสู่ใจให้ได้เป็นเหมือนกับยาที่หมอให้เรามา เราต้องรับประทานเอาเข้าไปในร่างกายโอปะนะยิโกให้ย้อมให้น้อมเข้ามาสู่ใจของเราด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความดับของความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจนี่คือ ความสัมพันธ์ของเรากับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นในส่วนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ได้ทรงทำหน้าที่ของพระองค์แล้วคือทรงมอบยาให้กับพวกเราแล้วมอบคําสอนให้แก่พวกเราแล้วในหน้าที่ของเราในส่วนของเรา เราก็ต้องรับยามารับประทานน้อมทำเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยทำให้เต็มที่รับประทานยาให้ครบตามที่หมอบอกให้รับประทาน แล้วโครคภัยไข้เจ็บก็จะหมดไปทำทานให้เต็มที่ทำทานเพื่อจะได้สละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเอ่อเป็นเครื่องพันธนาการเป็นเครื่องผูกตัวเราให้ติดอยู่กับภารกิจการงานต่างๆให้ สลัดออกไปให้หมดอย่าให้มีภ า, ารกิจการงานต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการชำระไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี้ให้ออกไปให้หมดให้มีเหลืออยู่แต่การปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอย่าไป เสียเวลากับการหาลาบยศฉลเสริญอย่าไปเสียเวลา ก, กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายให้เอาเวลาเหล่านี้มารักษาศีลมาภาวนานี่คือเป้าหมายของการทำทานทำทานเพื่อเราจะได้เป็นอิสระจากการที่เราจะต้องไป วายกับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลินกล้นกายให้เรามาหามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งกันด้วยการรักษาศีลเริ่มต้นที่ศีลห้าแล้วก็ขยับขึ้นไปที่ศีลแปดเวลาที่จะภาวนา ก็ต้องรักษาศีลแปดเวลาที่ยังไม่ได้ภาวนายัยงมีภาระกับภารกิจการงานต่างๆที่ยังตัดไม่ได้ก็รักษาศีลห้าไปเป็นอย่างน้อยถ้ารักษาศีลแปดได้ก็รักษาไปแล้วก็พยายามรักษาศีลแปให้ได้เต็มที่ในที่สุดแล้วก็ เอาเวลาทั้งหมดเท่าที่จะมีอยู่มาให้กับการภาวนาการภาวนาก็ขั้นต้นก็เรียกว่าสามถาภาวนาขั้นที่สองก็เรียกว่าวิปัสนาภาวนาภาวนาวิปัสนาสมถาภาวนาก็ต้องเริ่มที่การเจริญสติสร้างสติขึ้นมา การเจริญสตินี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญส ม, มถาภาวนาเจริญอารมณ์เดียวให้ใจมีอยู่กับอารมณ์เดียวเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆเพราะความคิดนี้จะทําให้ใจไม่สงบถ้าต้องการให้ใจสงบได้ผลจากการเจริญส ม, มถาภาวนา คือใจเป็นหนึ่งใจเป็นอุเบกขาใจมีความสงบมีความสุขที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่าก็ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเช่นพระพุทธเจ้าก็สอนพระ อ, อ น, นุนให้เจริญมรณานุสติ ใช้การคิดถึงความตายเป็นการเจริญสติเรียกว่ามรณานสติถ้าเราละเลึกอยู่กับความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกใจของเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องที่จะทำให้ใจเราเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดความอยากต่างๆได้ เช่นเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องของลาบยศสรรเสริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถ้าเรามีมรณานุสติมีการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกความอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ มันก็จะหายไปเพราะมันรู้ว่ามันก็จะหาได้เพียงชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่เวลาตายไปเมื่อไหร่ก็จะไม่สามารถหาความสุขเหล่านั้นได้อีกต่อไปจะต้องสูญเสียความสุขต่างๆที่หามาได้ไปหมดก็จะทำให้ไม่อยากจะไปหา ความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพก็จะอยากมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการเจริญมรณ า, านุสตินี่เองถ้าการเจริญมรณ า, านุสตินี้ไม่ถูกกับอารมณ์ไม่ถูกกับจริตก็เปลี่ยนได้เลือกอย่างอื่นได้ อารมณ์ที่จะใช้ในการเจริญสตินี้ก็ทรงแสดงไว้ถึง40สชนิดด้วยกันอารมณ์ที่เป็นเหมาะสมกับคนทั่วไปที่ครูบาอาจารย์ท่านนำเอามาสอนก็คือการเจริญพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นระลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้า ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกถ้ามีการระลึกถึงพุทโธอยู่ตลอดเวลาใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นนนนได้ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราบยศดลเสริญเรื่องความสุขทางตาหูจมกูกรื่นกายได้ ใจก็จะว่าจะเย็นจะสบายถ้านั่งอยู่เฉยๆใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขคตารมสักตาวารูมีอุเบกขาเป็นคุณสมบัติมีความสงบสุขเป็นผลเป็นรางวัล ถ้าได้พบกับความสงบสุขของใจแล้วใจจะมีความอิ่มเอิมีความพอจะไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงแต่เป็นสภาพที่อยู่ได้ชั่วคราวือขณะที่ใจรวมลงเท่านั้นพอถอนออกมา ก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ยังมีความสงบสุขและอุเบกขาติดออกมาด้วยแต่จะค่อยๆจางไปถ้าไม่รักษาไว้ด้วยสติด้วยการเจริญสติต่อหรือด้วยการใช้ปัญญามาระงับความอยาก ที่จะมาทำลายความสงบของใจเวลาออกจากสมถะภาวนาก็ต้องรักษาสมถะภาวนาไปต่อด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธต่อไปไม่ให้ใจคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆหรือถ้าใจจะคิดไปในทางความอยาก ก็ให้ใจคิดไปในทางที่จะหยุดความอยากก็คือให้คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาให้คิดถึงสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันให้ความสุขชั่วคราวเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจคําสั่งของเรา มันจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่จะหมดไปเมื่อไหร่นี้เราห้ามเขาไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้ก็จะระงับความไม่สงบให้เกิดขึ้นได้ก็รักษาความสงบสุขที่ได้จาก สมถภาวนาได้ใจก็จะสงบต่อไปได้ใจจะไม่สงบก็ตอนที่เกิดความอยากขึ้นมาถ้าอยากจะกำจัดความอยากอย่างท้าวรก็ต้องใช้วิปัสสนาภาวนาให้พิจารณาตายรักหรือพิจารณาอสุภะสุดแท้แต่กรณีของความอยากว่าอยากได้อะไร ถ้าอยากจะเสพการอยากจะร่วมหลับนอนพอเห็นรูปร่างหน้าตาของบุคคลนั้นบุคคล น, นี้แล้วทำให้เกิดอารมณ์ความใคร่ขึ้นมาก็<ม><ม>ต้องพิจนะารณาอสุภะคือความไม่สวยงามของบุคคลนั้นของร่างกายนั้นอย่าดูแต่ส่วนที่สวยงามน่ารักน่าดู ต้องมองเข้าไปในส่วนที่ไม่น่าดูที่มีอยู่เพียงแต่ถูกผิวหนังปกปิดเอาไว้เท่านั้นหรือยังไม่ปรากฏยังไม่ถึงเวลาที่จะปรากฏของความไม่สวยงามขึ้นมาก็คือเวลาแก่หรือเวลาตายไปร่างกายที่น่าดูน่ารักนา ที่สวยงามนี้ก็จะกลายเป็นหน้าตาที่ไม่น่าดูไม่น่ารักไม่น่าชมไม่น่าพิศวาสจะทำให้ระ ง, งับดับความใคร่ความยินดีได้นี่คือวิปัสสนาภาวนาที่เราจะใช้ในการทำลายความอยากได้อย่างถาวรถ้าเรายังไม่มีวิปัสสนาภาวนา เรามีแต่สติพอเราบริกรรมพุทธโธไปพุทธโธไปความคิดความใคร้ต่างๆความอยากต่างๆก็จะสงบตัวไปชั่วคราวแต่เวลาใดที่เราเผลอเราไม่บริกรรมพุทธโธความคิดความอยากก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้ก็เป็นการระงับดับชั่วชั่วคราว ไมเหมือนกับการระงับดับด้วยวิปัสสนาภาวนาระงับดับด้วยความจริงรวิปัสสนาก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงความจริงที่เราไม่มองกันหรือมองไม่เห็นกันเช่นอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายเรามักจะมองไม่เห็นกันหรือมองข้ามไปเราจะมองแต่ส่วนที่น่าดูน่าชม ส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าชมนี้เราไม่อยากจะมองกันจึงเป็นเหมือนกับว่าไม่มีหรือมองหรือไม่เห็นไม่เห็นความแก่ไม่เห็นความตายของร่างกายไม่เห็นซากศพไม่เห็นร่างกายที่จะต้องกลายเป็นซากศพไปหรือไม่เห็นอวัยวะที่อยู่ภายใต้ผิวหนังอวัยวะ เช่นเนื้อเอ็นกระดูกกระโหลกศีสษะโครงกระดูกอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจม้ามปอดตับไตลำไส้สมองนี่คือสิ่งที่เรามักจะมองไม่เห็นกันไม่มองกันจึงหลงหลังหลงไหลข้างงครกับรูปร่างหน้าตาของร่างกายอันนี้ ที่ดูสวยงามอยู่ภา ย, ยนอกอยู่ที่ผิวหนังอยู่ที่อาการทั้งห้าคือสวยงามที่ผมขนเล็บฟันหนังเพราะมีการเสริมสวยอยู่ตลอดเวลาผมก็คอยเสริมสวยให้ดูสวยขนก็คอยตัดคอยถอนเล็บก็คอยแต่ง คอยทาสีหนังก็คอยขัดสีฉวีวันใช้น้ำยาน้ำอะไรต่างๆมาบำรุงบำรอเพื่อให้ผิวดูสวยงามแต่งต่างอันนี้เป็นความสวยงามของร่างกายส่วนหนึ่งแต่ความไม่สวยงามของร่างกาย อีกส่วนหนึ่งก็มีอยู่ถ้าเห็นทั้งหมดเห็นทั้งส่วนที่สวยงามและเห็นทั้งส่วนที่ไม่สวยงามใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้จะไม่รักไม่ไม่ชังร่างกายเวลาเห็นร่างกายที่ไม่สวยงามเห็นคนที่หน้าตาไม่สวยงามก็จะไม่รังเกียจ เห็นร่างกายของคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามก็จะไม่รักพราะจะเห็นส่วนที่ไม่สวยอยู่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง<ม>หรือเห็นเวลาที่ร่างกายนี้หมดลมหายใจไปแล้วว่าจะกลายเป็นอย่างไรนี่คือวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้ให้ดูอะไรที่ไม่มี ของเหล่านี้มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติแก่จิตใจของเหล่านี้เองเราไม่รู้ว่าการไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็นโทษแก่จิตใจของพวกเราจะทำให้ใจของเราเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมา แต่ถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆเช่นเห็นอสุภะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความอยากต่างๆก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาหรือถ้าปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะดับลงไปทันทีพอความอยากดับลงไปความสงบความสบายใจก็จะปรากฏขึ้นมา ความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาแล้จะปรากฏอยู่ได้อย่างถาวรเพราะความอยากต่างๆจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะความหลงได้ถูกทําลายไปความไม่เห็นส่วนที่เป็นความจริงนี้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการดับความอยากนี้ ได้ถูกํำลายไปด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาด้วยการมองความจริงเห็นความจริงตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เราเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิต้องเห็นในขณะที่เราไปเห็นร่างกายจริงๆของผู้อื่นแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมา แล้วเราก็ใช้วิปัสสนาภาวนาที่เราได้เจริญในขณะที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เอาเข้ามาให้ใจดูให้ใจเห็นให้ใจเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายแล้วความอยากในการอารมณ์ก็จะหายไปจะดับไป เพราะพระพุทธเจ้าและพระอาลันตสาวกทั้งหลายท่านได้ใช้วิธีนี้ดับกามาตนามาแล้วดับกามาราคะมาแล้วดับได้อย่างถาวรท่านจึงนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรานําไปปฏิบัติถ้าเราอยากจะดับกามาราคะที่มีอยู่ในใจของเราที่สร้างความ ทุกสร้างความวุ่นวายใจ่ายให้แก่เราสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจให้กับเราพอเราพิจารณาอสุภะมองเห็นอสุภะความหงุดหงิดลำคาญใจก็จะหายไปเพราะการมารลมคือการมาราคะก็จะหายไปนี่เป็นการทําลาย ความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์อย่างถาวรต้องทําลายด้วยวิปัสสนาภาวนาด้วยความจริงเห็นอสุภะเห็นตายลักเห็นอนิจจังเห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เราหลงไหลคลั่งไคล่ยึดถือเป็นที่พึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา พอสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเสื่อมไปหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่ง น, นั้นมันก็จะต้องหมดไปตามไปด้วยให้เห็นอนิจจังในทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นอนัตตาคือไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ไปสั่งให้เขาดีกับเราไปตลอดไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติของเขา เขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปจากการที่ดีกับเราก็เปลี่ยนเป็นไม่ดีกับเราก็ได้หรือไม่แย่แสกับเราก็ได้เฉยเฉยกับเราก็ได้หรือร้ายกับเราก็ได้เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาถ้าเห็นว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี้จะต้องเสื่อมหมดไป แล้วเราไปห้ามไปบังคับเขาไม่ได้เราก็จะได้ถอยถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นไม่ไปอาศัยสิ่งเหล่านั้นให้ความสุขกับเราถ้าเราอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเวลาเขาหมดไปเขาเปลี่ยนไปเราก็จะต้องทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่อาศัยเขาเขาจะเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไป เราก็ไม่มีปัญหากับเขาเพราะเราไม่ได้พึ่งเขาให้ความสุขกับเราเราพึ่งสิ่งที่เรามีอยู่กับในตัวเราที่เราควบคุมบังคับได้ก็คือพึ่งความสงบของเราที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออก อันนี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเราที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะไม่มีวันหมดไปถ้าเรารู้จักวิธีเจริญวิธีรู้จักวิธีรักษาดังนั้นเราต้องปฏิบัติต้องพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นอย่างที่พระองค์ทรงได้ตัดสอนไว้หรือไม่ถ้าเราไม่พิสูจน์เราก็จะไม่มีวันรู้และเราก็จะไม่ได้สัมผัสกับผลอันดีอันเลิศที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้สัมผัสกันได้มีไว้เป็นสมบัติไว้ครอบครองไปตลอดเวลา ไม่มีวันสิ้นสุดผลเกิดจากเหตุผลก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเหตุก็คือการบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่ต้องบำเพ็ญทานก่อนก็เพราะว่าเรายังมีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆอยู่ ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปบำเพ็ญศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่นั่นเองเราก็ต้องพยายามที่จะปลดปลื้งสิ่งที่ดึงเราเอาไว้สิ่งที่นึงเราเอาไว้ก็คือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและบุคคลต่างๆนั่นเองเขาเจ้าถึงทรงสอนให้พวกเราสละทรัพย์กันสละเพื่อที่เราจะได้ มีอิสระภาพมีเวลาที่จะได้เอาไปใช้กับการภาวนาใช้กับการรักษาศีลถ้ายังต้องมีความเกี่ยวข้องต้องดูแลจัดการกับทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองต่างๆหรือกับการใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆอยู่เวลาที่จะมาบําเพ็ญ เพื่อทำเพื่อสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็จะไม่สามารถทำได้เมื่อไม่สามารถทำได้ก็ยังจะต้องติดอยู่กับความสุขที่ได้จากทรัพสมบันเข้าของเงินทองที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปเวลาที่ต้องมีการพัดพรากจากกันหรือเวลาที่ร่างกายไม่อยู่ในสภาพที่จะสามารถ ใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆได้แล้วเช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยและเวลาที่ตายไปดังนั้นถ้าเรายังมีภาระอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ยังไม่มีเวลาที่จะออกปฏิบัติได้เต็มรูปแบบเหมือนกับผู้ที่ได้ออกบวชกันแล้ว เราก็ต้องตั้งเป้าไว้ว่าอันนี้คืองานชิ้นแรกที่เราจะต้องทำให้ได้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่ขวางการขวากั้นการภาวนาของเราที่เราไม่สามารถภาวนาได้อย่างเต็มที่เหมือนกับนักบวชก็เพราะว่าเรายังมีภาระเกี่ยวกับเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง หรือมีความอาศัยข้าวของเงินทองเป็นสิ่งให้ความสุขกับเราอยู่เรายังตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้ายังตัดไม่ได้เราก็จะต้องเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลาออกมาเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อทำใจนำใจให้เข้าสู่ความสงบที่เป็นความสุขที่สูงกว่าที่ดีกว่า ความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองซื้อมาพอเราทำทานได้เต็มที่สละไปได้หมดไม่มีไม่ต้องมาเสียเวลากับการดูแลรักษาหรือไม่ต้องพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขเราก็จะได้มา ทุ่มเทเวลามเวลาให้กับการสร้างความสุขภายในใจเราก็จะได้ไปเปรีกวิเวกได้ไปอยู่ตามลําพังได้ไปอยู่ในสถานที่สัปปายะต่อการภาวนาสถานที่สัปปายะก็คือเอื้อต่อการภาวนาก็ต้องเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวก นี่เรียกว่ากายวิเวกพราะกายวิเวกนี้จะเป็นเหตุที่จะช่วยทําให้จิตวิเวกนั่นเองกายวิเวกก็คือความสงบทางกายจิตวิเวกก็คือความสงบทางจิตกายจะวิเวกได้ก็ต้องอยู่ในที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆตามอยู่ใกล้แสงสีเสียงนี้ ก็จะถูกแสงสีเสียงมารบกวนใจมาทำให้ใจนี้ฟุ้งซ่านขึ้นมาได้คิดปุงแต่งขึ้นมาได้ทำให้ท้อแท้ต่อการที่จะเจริญจิตตวิเวกได้อย่างที่หลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังท่านเคยไปปีกวิเวกอยู่ตามลำพัง ก็อยู่ไม่ห่างไกลจากระแวกบ้านมากจนเกินไปเพราะเป็นภาคก็ต้องอาศัยหมู่บ้านเป็นที่บินทบาทเวลาที่เขามีงานจะ้องอะไรกันในหมู่บ้านก็จะมีเสียงเพลงเสียงล้องลํำทำเพลงกันจิตใจก็อดที่จะเกิดความเสียดายไม่ได้เกิดความอยากที่จะ ไปร่วมกับเขาไม่ได้เห็นกับคิดว่าเรามาทำอะไรของเราอยู่คนเดียวมาอยู่แบบเศร้าซ้อยงอยเหงาอยู่คนเดียวทำไมไม่ไปร่วมกับเขาไปฉลวงไปร่วมฉลองเฉลิมกันไปร้องลําทําเพลงไปสนุกสนานเฮฮากันนี่เป็นความคิดของกิเลส ท, ที่ผุดขึ้นมาในใจ ของท่านแต่ท่านก็มีปัญญาท่านก็ย้อนกลับไปว่าเล่าความสุขของเขาเหล่านั้นทำให้เขาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ความสุขของเขานั้นสนุกสนานกันทุกวันทุกคืนหรือเปล่าหรือเป็นเฉพาะเวลาเวลาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ต้องไปตากตำท ร, รมาหากิน หาเงินหาทองหาอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้มาฉลองมาหาความสุขกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันตายได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอท่านคิดอย่างนั้นได้ใจของท่านก็หวนกลับเข้าสู่การเจริญสติต่ตอไปได้ไม่คิดถึงเรื่องราว ต่างๆของคนอื่นคิดแต่เรื่องของตนเองคือการเจริญสติเพื่อละงับความคิดที่จะทำให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายความคิดที่จะทำให้อยากกลับไปหาความสุขเหล่านั้นอีกนี่คืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่จะมาคอย ยั่วยวนกวนใจให้ใจเกิดความทอแท้เบื่อหน่ายในการบําเพ็ญดังนั้นถ้าอยู่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะดีจะได้ไม่มีอะไรมาลบกวนใจจะได้เจริญสติได้ภาวนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ผลที่จะทำให้จิตนั้นมีความพอ ระ ง, งับดับความอยากต่างๆได้แม้จะเป็นเพียงชั่วคราวก็ดีกว่าที่จะปล่อยให้เกิดความอยากขึ้นมาตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดความอยากขึ้นมาตลอดเวลาและไม่รู้จักไม่สามารถที่จะระ ง, งับดับความอยากได้ในที่สุดก็จะต้องถูกความอยากนี้ฉุดลากให้กลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายใหม่ ก็ถือว่าเป็นการถอยหลังไม่ได้เป็นการเจริญก้าวหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานแต่เป็นการถอยเข้าหาวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นการ พ, พัฒนภาวนาจึงต้องไปปิกวิเวกไปหาสถานที่ที่จะทำให้เกิดจิตวิเวกขึ้นมาสถานที่ที่เรียกว่ากายวิเวก คือสงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วก็จะมีความสุขที่จะเป็นพลังที่จะสนับสนุนในการเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปเพราะถ้าจิตที่ไม่มีความสงบนี้จะมีเกลเลตตันหา เพ่นพ่านอยู่ภายในใจกิเลสตัณหานี่จะไม่อยากให้เราพิจารณาความจริงไม่อยากให้เห็นอนิจจังไม่อยากให้เห็นอนัตตามไม่อยากให้เห็นทุกขังไม่อยากให้เห็นอรสุภาแต่ถ้าจิตมีความสงบแล้วกิเลสตัณหานี่ถูกมัดมือไว้หรือถูก ฉีดยาสลบคือถูกตัดกําลังถึงแม้ว่ายังไม่ตายแต่ก็จะไม่มีกําลังที่จะออกมาขัดขวางในการเจริญวิปัสสนาภาวนาในการมองดูความจริงเช่นมองดูความตายความตายนี้ก็เป็นอนิจจังมองดูความแก่อันนี้ก็เป็นอนิจจังมองดู ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นอนิจจังมองดูอนัตตาคือมองว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็จะกลับเกินสู่ดินน้ำลมไฟเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดินน้ำลมไฟที่รวมอยู่ในร่างกายก็จะแยกทางกันไปน้ำก็จะไหลออกมา ลมก็จะระเหยออกมาความร้อนก็จะหายไปไฟก็จะหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็เป็นดินถ้าพิจารณาเวลาที่ร่างกายตายไปจะเห็นได้ชัดเจนว่าจะต้องสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าพิจารณาเวลาร่างกายก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา ก็จะเห็นว่าเป็นการเอาดินน้ำลมไฟนี้มารวมกันมาผสมกันลมก็ที่หายเข้าไปหายหายใจเข้าไปนี่ก็เรียกว่าลมธาตุลมน้ำที่ดื่มเข้าไปน้ำน้ำในส่วนที่เป็นน้ำเองหรือว่าน้ำที่ผสมมากับอาหารเช่นน้ำแกงน้ำอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นธาตุน้ำส่วนที่ไม่ได้เป็นน้ำไม่เป็นลมไม่เป็นไฟก็เป็นดินนั่นเอง เช่นของของหยาบของแข็งต่างๆเช่นข้าวผักเนื้อเหล่านี้ก็ทำมาจากดินทางนั้นนี่เป็นการเอาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟมารวมกันเพื่อที่จะได้สร้างอาการสาสองขึ้นมาสร้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสร้างอวัยวะต่างๆขึ้นมาเพื่อที่ จะทำให้ร่างกายนี้ดาเนินไปได้อยู่ไปได้ร่างกายนี้อยู่ได้เพราะการมีธาตุสี่คอยสนับสนุนอยู่อย่างตลอดเวลาเวลาใดขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปการดาเนินของร่างกายนี้ก็จะต้องยุติลงทันทีเช่นถ้าไม่มีธาตุลมขาดลมหายใจเพียงไม่กี่นาทีร่างกายนี้ก็ต้องหยุดทำงานแล้ว ถ้าขาดธาตุน้ําก็ยาวหน่อยหลายวันหน่อยถ้าขาดธาตุดินก็ยาวไปก่อนนั้นอีกธาตขาดธาตร้อนก็สามารถเสียชีวิตได้ขาดธาตุไฟเช่นในฤ ด, ดูหนาวอย่างนี้ถ้าไม่มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวก็จะไม่สามารถรักษาธาตุไฟที่จะต้องถูกความเย็นนี้เข้ามาทําลายได้ ถ้าร่างกายไม่มีความอบอุ่นร่างกายนี้ก็จะอยู่ไม่ได้คือธาตุไฟถูกธาตุเย็นนี้มาลบล้างไปคนตายเพราะความหนาวได้เพราะธาตุไฟเหลือไม่พอที่จะรักษาให้ร่างกายดําเนินต่อไปได้ขาดธาตุลมก็อยู่ไม่ได้ขาดธาตุน้ําก็อยู่ไม่ได้ขาดธาตุดินก็อยู่ไม่ได้ ขาธาตุไฟก็อยู่ไม่ได้เพราะร่างกายนี้ต้องมีธาตุทั้งสีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะอยู่ได้ถ้าพิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้เห็นชัดว่าในร่างกายนี้มันไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเราเลยไม่มีตรงไหนที่เรียกว่าเป็นเราเลยเราเองไปเรียกเขาว่าเป็นเราต่างหากผู้ที่เรียกนี้ก็คือผู้คิดนี้เอง ผู้คิดก็ออกมาจากผู้รู้ผู้รู้ผู้คิดนี่แหละคือเป็นผู้ที่มาหลงมายึดมาติดกับร่างกายอันนี้แล้วก็ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาเวลาที่ร่างกายนี้ต้องเป็นอะไรไปผู้ที่เดือดร้อนก็คือผู้รู้ผู้คิดนี้เองเพราะเป็นผู้หลงไม่ได้รู้ต่างความเป็นจริง ถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็จะไม่ทุกข์เพราะจะรู้ว่าไม่ได้มีอะไรที่มาทำให้ตนเองนั้นต้องเป็นไปด้วยเลยเวลาร่างกายเป็นอะไรไปนี้ผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปด้วยเลยแต่ความหลงหลอกให้คิดว่า <S <S ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นร่างกายยังคิดว่าเวลาร่างกายเป็นอะไรไปผู้รู้ผู้คิดนี้ก็จะเป็นไปด้วย ยังเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเวลาที่เห็นร่างกายนี้แก่เห็นร่างกายนี้เจ็บเห็นร่างกายนี้ตายไปแต่ถ้าพิจารณาด้วยวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟเป็นการยุติการทํางานของดินน้ำลมไฟผู้รู้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ผู้รู้ยังอยู่เหมือนเดิมเป็นอยู่เหมือนเดิมอยู่ผู้รู้ก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับความเป็นไปของร่างกายนี่คือการใช้วิปัสสนาความจริงมาดับความหลงผิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเป็นตัวของผู้รู้ผู้คิดแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น ร่างกายนี้เป็นของดินน้ำลมไฟเพราะดินน้ำลมไฟเป็นผู้สร้างขึ้นมาแล้วก็ดินน้ำลมไฟนี่แหละเป็นผู้ที่จะทำลายมันเวลาที่ดินน้ำลมไฟแยกทางกันไม่มาร่วมอยู่ร่วมกันนี่คือการใช้วิปัสสนาเพื่อที่จะทำลายความเห็นผิดเป็นชอบความหลง เห็นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตนเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงามพอเห็นตามความจริงแล้วตัณหาทั้งสามก็จะหมดไปจะไม่ทำงานต่อไปตัณหาก็คือต้อนเหตุของความทุกข์ ผู้ที่สร้างความทุกข์ใจก็คือการมติหานภาวะตันหาและวิภวะตันหานี้เองพอไม่มีผู้สร้างความทุกข์ความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาใจก็จะอยู่อย่างสงบไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจความอยู่อย่างสงบนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงของใจนี่คือเรื่องของ สว่าขาโตพระกวตาธมโมทมที่ทรงตัดไว้ชอบแล้วชอบด้วยเหตุและชอบด้วยผลเหตุก็คือการบำเพ็ญทานศีลภาวนาผลก็คือการบรรลุถึงมากคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นอาการลิโกสามารถบรรลุได้ทุกยุคทุกสมัยถ้ามีการบำเพ็ญเหตุตามที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาทุกประการ พระพุทธเจ้าทรงบําเพนอย่างไรถ้าเราบําเพ็ญอย่างนั้นผลก็จะเป็นเช่นเดียวกันชั้นใดชั้นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการกับเวลาหรือสถานที่ไม่ต้องไปปฏิบัติที่ประเทศอินเดียไม่ต้องไปบวชที่ประเทศอินเดียถึงจะบรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ถ้ามีความสามารถที่จะ สร้างบ้านให้เป็นสถานที่วิเวกสงบสงัดไม่มีอะไรมาลบกวนใจไม่มีอะไรมาขัดขวางการบาเพ็ญจิตตะภาวนาก็สามารถบรรลุได้เพราะสถานที่เป็นเพียงแต่สนับสนุนหรือถ่วงเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิ้ผ่านขึ้นมาตัวที่จะบรรลุมรรคผลนี่ผ่านขึ้นมาก็คือตัวจิตตภาวนานี้ คือส ม, มถะภาวานาและวิปั ส, สนาภาวานาเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ามีส ม, มถะมีวิปั ส, สนาภาวานาที่นั่นก็จะมีการบรรลุมรรคผลนิพพานกันขึ้นมาแต่ถ้าได้ที่ดีมันก็จะง่ายได้ที่ไม่ดีมันก็จะยากจะช้าจะนานนี่คือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่ ขึ้นอยู่ที่โอปนะยิโกอยู่ที่เราต้องน้อมเอาพระธรรมคำสอนเข้ามาสู่ใจให้ได้น้อมเอาทานศีลภาวนาเข้ามาสู่ใจเมื่อมีทานศีลภาวนาอยู่ในใจแล้วมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจเรียกว่าโอปนะยิโกแล้วเราก็จะได้รู้คำว่าสันติติโกว่าเป็นยังไงผู้ปฏิบัติจะสามารถ รู้ได้ด้วยตนเองสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตพคกวาตา ร, รมโมหรือไม่ตัดไว้ชอบแล้วหรือไม่เป็นโอปะนะยิโกหรือไม่เป็นอาการลิโกหรือไม่อยู่ที่สันทิติโกอยู่ที่การพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจึงขอให้พวกเราจงมีความแน่ว แ, แน่มั่นคง ตอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจทั้งกายทั้งใจที่มีอยู่ให้แก่การพิสูจน์พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ผิดหวังเราจะได้พบสิ่งเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้พบกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอย่าถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกาปปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจโตสัพเพภเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตะวันตารโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทนศีริสะนิจจังุทธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติ อายุวนโนสุขังภาลางาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาธรรมก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้ทางบ้านที่ถามผ่านทางอินเทอร์เนต็ต ได้ถามผ่านได้ถามก่อนต่อไปเป็นคำถามจากคุณกนกพรภัยสาลอสวาเสนีดิฉันฝึกสมาธิด้วยการท่องจำการพิจารณาอาการปฏิกูลสิบอย่างในอาหารเลปฏิกูลและสัญญาตามคำพีวิสุทธิมักดิฉันท่องจำตาม ต, ามตำลามาสองสัปดาห์แล้วเวลานั่งสมาธิแล้วไม่สงบ ดิฉันก็จะนําเรื่องนี้มาท่องจําคําถามข้อที่หนึ่งดิฉันฝึกสมาธิด้วยการท่องจําอาการเหล่านี้ซ้ําไปซ้ํามาหลายๆรอบดิฉันฝึกถูกต้องหรือไม่คะคือจะถูกหรือไม่ถูกก็ต้องดูที่ผลว่าได้ผลหรือไม่ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็อาจจะไม่ถูกกับจริตของเราหรืออาจจะไม่ถูกกับ ความที่จะต้องใช้ในการทําใจให้สงบเพราะถ้าใจเราไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายกับเรื่องการอยากจะรับประทานอาหารการจะใช้อาหารเลยปฏิกูลสัญญามาเพื่อทําให้ใจสงบนี้ก็จะไม่ได้เป็นผลเหมือนกับเวลาที่เราปวดศรีรษะแล้วเราไปรับประทานยาแก้ปวดท้อง รับประทานไปการปวดศรีรษะก็จะไม่หายถ้าเรามีความพุ่งซ่านเกี่ยวกับเรื่องการอยากรับประทานอาหารชนิดต่างๆใจเรามองเห็นแต่พิซซ่าเห็นแต่อะไรอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็ต้องแปลงให้พิซซ่านั้นให้กลายเป็นอาหารเลปฏิกูลสัญญาให้มันกลายเป็นอุจจาระไปอย่างนี้แล้วมันก็จะหายพุ่งซ่านกับเรื่องการอยากรับประทานอาหาร เขาเรียกว่าจริญไงตอนนี้จริตของเรามันกําลังอยู่กับเรื่องอะไรอยู่ถ้าอยู่กับเรื่องกามารมณ์ก็ต้องพิจารณาอสุภะถ้าอยู่กับความโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทก็ต้องเจริญเมตตาภาวนาเฉั้นถ้าเราใช้กรรมฐานไม่ถูกกับเจริตของเราถูกกับปัญหาของเรา มันก็จะไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่ากรรมฐานนั้นไม่ดีเพียงแต่ว่ามันใช้ผิดวาระผิดเรื่องผิดราวกันเหมือนกับใช้ ย, ยาผิดประเภทปวดศรีรษะแล้วไปกินยาแก้ปวดท้องมันก็ไม่มีวันที่จะหายปวดได้ดังนั้นเราต้องดูใจของเราว่าใจของเรามันไม่สงบเพราะอะไรแล้วเราก็ต้องห า, ายาที่เหมาะกับ ความไม่สงบนั้นมารักษาแต่ถ้าตามปกติถ้าไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความวุ่นวายใจก็ลองใช้การเจริญพุทธานุสติดูบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือใช้กายกระตาสติดูคือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายการกระทําร่ต่างๆอันนี้จะเหมาะกับเวลาที่ใจไม่มีปัญหากับเรื่องใดต่างๆ ให้ดึงใจไว้ให้อยู่กับพุโทโธก็ได้ให้อยู่กับร่างกายก็ได้อย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวจะทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้ถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวไปคิดถึงอาหารก็จะเกิดความหิวความอยากอาหารได้ถ้าปล่อยให้ไปคิดถึงคนสวยคนงามคนรูปคนคนหลอเดี๋ยวก็จะเกิดความกามอารมณ์ขึ้นมาได้ ถ้าไปคิดถึงหนี้สินต่างๆก็จะเกิดความวิตกกังวลใจขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องมีอะไรคอยควบคุมกํากับใจไม่ให้ไปคิดด้วยเปื่อยใจนี่ก็เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงถ้าเราไม่มีคอกล้อนไว้ไม่มีเชือกผูกมันไว้ปล่อยมันไปเรื่อยๆมันก็อาจจะไปสร้างความเสียหายให้กับสิ่งต่างๆได้ชั้นใด ใจของเราก็ถ้าปล่อยให้ความคิดไปโดยไม่มีการควบคุมมันก็จะสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราได้ดังนั้นเราควรที่จะเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่ในเบื้องต้นก็ได้สแสดงไว้บางท่านเหมาะกับการเจริญมรณาอนุสติก็คิดถึงความตายไปเรื่อยๆคิดว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายเดี๋ยวคนนั้นก็ต้องตายเดี๋ยวสิ่งนี้ก็ต้องตายคิดอยู่ให้เห็นความตายอยู่รอบตัว อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือให้เห็นพุทธโธอยู่ทุกขณะก็ได้ให้บริกรรมพุทธโธอยู่ทุกขณะหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายทุกขณะก็ได้อย่างนั้นก็ขอให้ลองไปพิพพพจารณาดูดูว่าเวลานี้เราควรจะใชะ้กรรมฐานชนิดใดเพื่อที่จะกากับควบคุมดูแลจิตใจให้สงบ ไไมไ ม, ม่่ใใหห้้านวยคำถามข้อที่สองกับข้อที่สามหลวงพ่อได้ตอบสรุปไปหมดแล้วค่ะเขาถามถึงวิธีปฏิบัติคำถามต่อไปจากคุณมนทิลาน้องชายอายุสามสิบแปดปีจะแต่งงานกับผู้หญิงอายุสามสิบปดปีเท่ากันแต่แม่ฝ่ายหญิงไม่ยอมยกลูกสาวให้อย่างนี้น้องชายผิดศีลข้อกามเมหรือเปล่าคะ ไปแย่งผู้หญิงที่ยังมีแม่และพี่ชายรักษาอยู่ถ้าผิดศีลพระอาจารย์มีข้อแนะนำที่สามารถทำให้ไม่ผิดศีลได้อย่างไรแม่ฝ่ายหญิงเขาไปดูดวงทั้งคู่มาพระที่เป็นหมอดูบอกว่าไปกันไม่รอดแม่ฝ่ายหญิงแกเชื่อพระรูปนั้นมากค่ะเลยไม่ยกลูกสาวให้ก็ไปหาคนใหม่ใช่ไ <laughs> ห ไม่ใช่มีผู้หญิงคนเดียวในโลกนี้มีในเมืองไทยก็มีอย่างน้อยสามสิบกว่าล้านคนหาไม่แคไว่หาไม่ได้เลยครับถามต่อไปจากคุณนันดวงนภาหนูมีความหนูมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการมุ่งสู่พระนิพพานหากเป้าหมายของการดับขันห้าตัดกิเลสและตันหา คือการมีภาวะนิพพานแล้วอยากทราบว่าสภาวะของจิตในนิพพานนั้นจะเป็นอย่างไรเหรอคะยังจะคงเป็นพลังงานในสากลโลกอยู่หรือไม่เพราะแต่เดิมเคยเข้าใจพบชั้นของสวรรค์จึงสงสัยข้าว่าอนุภาคของจิตเมื่อหยุดเวียนไหวตายเกิดพ้นจากสวรรค์พบภูมิแล้ว จะสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างไรง่ายนิดเดียวก็ลองปฏิบัติดูก็จะได้คาตอบถ้าไม่ได้ปฏิบัตินี่ต่อให้พูดไปยังไงก็จะไม่เข้าใจเพราะเหมือนกับการอธิบายให้คนตาบอดว่าสีดำกับสีเขียวสีแดงนั้นเป็นอย่างไรของเรานี้อธิบายไม่ได้มันต้องเห็นเองต้องสัมผัสเองเพียงแต่ให้รู้คร่าว ว่าโดยภาพรวมว่าเวลาจิตถึงนิพพานก็เหมือนกับคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเราเป็นยังไงเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่เวลาเรารักษาแล้วพอร่างกายหายแล้วเป็นยังไง ร, ร่างกายก็กับปี้กระเป๋าสดชื่นแข็งแรงชั้นใดใจของของนิพพานก็เป็นอย่างนั้น ใจของนิพานก็คือใจที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆคำถามต่อไปจากคุณเชอร์มานวีที่พระอาจารย์แนะนำมาว่าลูกเดินผิดไปดูจิตโดยฐานสมาธิไม่แน่นลูกกลับมาปรับปรุงมันจริงๆเจ้าค่ะเวลาดูอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็มาร้ายมากพอมาฝึกสมาธิ ตอนแรกลูกหวงความรู้แต่พอเรายอมรับและมาฝึกมันเลยได้ความรู้ว่าที่เราเรียนมันไม่ได้หายแถมสมาธิยิ่งมาช่วยหนุนก็ได้รับการพัฒนาและมันเย็นขึ้นทีนี้ปัญหาสงสัยตอนนี้คือบางครั้งเวลาเกิดอารมณ์กระทบมันรู้สึกใจรู้ บางครั้งมันแอบมีความแฝงอยากให้หยุดโกรธด้วยลูกก็รู้แล้วว่าอันนี้ไม่ได้รู้จริงก็เลยถอยมาพุโทโธก็รู้สึกพุโทโธมีกําลังมากแต่ไปสักพักหลายๆวันมาพุโทโธก็เอาไม่อยู่อีกทีนี้ควรจะจัดการน ะ, ว, ะวินาทีนั้นใช่หรือไม่เจ้าคะว่าเราเอาวิธีไหนถึงจะจัดการได้ ก็มีวิธีจัดการสองวิธีกับความอยากที่เกิดขึ้นถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีวิปัสนาเรารู้จักวิธีสติเราก็ใช้สติไปเช่นเวลาเราโกรธใครมากๆอยากจะฆ่าเขาเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่เราโกรธพอเราอยู่กับพุโทโธไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องของคนที่ทำให้เราโกรธไป แล้วความอยากที่จะฆ่าเขามันก็จะหายไปแต่มันจะหายเฉพาะเวลาที่เรามีพุโทโธอยู่ในใจเวลาใดที่เราหยุดพุโทโธแล้วเราปล่อยให้ไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธความโกรธนั้นก็จะกลับคืนขึ้นมาได้มาใหม่ได้ถ้าอยากจะใช้วิธีที่หยุดความอยากหยุดความโกรธได้อย่างถาวรก็ต้องใช้วิปัสสนา ต้องพิจารณาว่าไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกเพราะไงเดี๋ยวเขาก็ตายอยู่ดีอันนี้จังพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาไปพิจารณาว่าเขาเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเขาก็ต้องตายไปเองเพราะร่างกายเขาไม่เที่ยงแล้วถ้าเราไปฆ่าเขานี้มันมีผลเสียหายตามมา พ็จะทำให้ใจเรานี่เครียดมากขึ้นไม่ใช่ความทุกข์น้อยลงไปเครียดเพราะเราจะต้อง ห, อหนีลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะจะต้องถูกจับไปลงโทษตายไปเราก็ต้องไปใช้กรรมในนรกอีกอยดังนั้นให้ใช้ปัญญาหยุดความอยากให้มองให้เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาในบุคคลที่ทำให้เราโกรธเกลียดอยากจะฆ่าเขา เราไม่ต้องฆ่าเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็ตายไปเองให้เขาปล่อยก็ตายไปเองดีกว่าแล้วก็จะไม่มีเวรกรรมต่อกันต่อไปจากท่านเดิมนะคะบางครั้งสมาธิมันลึกจนบางครั้งเราไปเห็นเลยมันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ยึดว่าเป็นเราเหมือนไปเจอเห็นตัวนั้นเราเลยทุกข์แต่มันโผล่แค่มาแค่แวบเดียว อยากถามคำถามที่สองว่าพระโสดาบันท่านก็จะเห็นเช่นนั้นใช่ไหมชะคะคือสลัดความเป็นเราออกจากขันห้าได้คือต้องเห็นขันห้าว่าเป็นธาตุสีเป็นดินน้ำลมฝ่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะสลัดดถึงจะปล่อยวางขันห้าได้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำถามข้อต่อไปจากคุณโปอยเวลาเราทำงานหรือทำอะไรผิดพลาดแล้วจะมีวิธีฝึกอย่างไรให้ทำใจปล่อยวางกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อตัดความกังวลกับความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้ว เริ่มต้นแก้ไขตัวเองใหม่ค่ะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าแม้จะทำผิดพลาดเล็กน้อยกลับสร้างความกังวลใจเป็นอย่างมากให้เจริญสติอยู่เรื่อยๆื่เวลาเจริญสตินี้ใจจะอยู่ในปัจจุบันแล้วอะไรที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นอดีตไปแล้วก็จะไม่เข้ามาสู่ใจก็จะลืมเรื่องนั้นไปหรือว่าถ้าคิดก็ให้คิดด้วยปัญญาว่า การผิดพลาดนี้มันเป็นผลที่เกิดจากการขาดสติดังนั้นถ้าอยากจะป้องกันการผิดพลาดในอนาคตก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากๆแล้วต่อไปการผิดพลาดต่างๆก็จะหมดไปหรือถ้าจะมีก็จะเป็นการผิดพลาดแบบที่เรียกว่าสุดวิสัยซึ่งก็ไม่มีใครจะทําอะไรได้อยู่ในโลกนี้ก็ ต้องมีการผิดพลาดมีการพังเผอบ้างเป็นธรรมดาอย่างคำพูดที่มีพูดว่าสีสเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้เผ ล, ล้วเราปุถุชนธรรมดาทำไมจะไม่ผิดพลาดบ้างถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเวลาเราทำอะไรผิดพลาดไปเราก็จะได้ไม่มาวิตกกังวลเราจะได้ใช้การผิดพลาดของเรานี่เป็นอุทาหรณ์ เป็นบทเรียนสอนใจว่าเราเผลอสติเราขาดสติเราควรที่จะเจริญสติให้มากและเจริญปัญญาให้มากเพราะการกระทำลายผิดพลาดนี้ก็เกิดไดสส้สองประการด้วยกันนอกจากเหตุสุวิสัยก็คือเกิดจากการเผลอสติทำไปโดยที่ใจไม่ได้จดจอ่อเฝ้าดูการกระทาของเราหรือทำด้วยการขาดปัญญาทำแล้ว ้ว่าไม่รู้ว่าควรไม่ควรจะทำก็ทำไปรู้เรียกว่าไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าผลที่จะตามมานั้นเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้ทำไปแล้วก็เกิดผลเสียหายขึ้นมาดังนั้นถ้าอยากจะไม่ให้พลาดยกเว้นจากเรื่องเหตุสุวิสัยก็ต้องพยายามเจริญสติและเจริญปัญญาให้มากแล้วการกระทําต่างๆต่อไปก็จะไม่ผิดพลาด คำถามต่อไปจากคุณอ้อยละเอียดในวันที่รักษาศีลแปดทานมื้อเดียวพยายามจเจริญสติให้อยู่กับการกระทำในวันในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆแต่พอถึงเวลาทานข้าวสติจะหลุดหายไปเลยจนกว่าจะรู้สึก ตัวว่าอิ่มถึงนึกขึ้นได้ว่าสติหายไปแล้วมีอุบายแก้ไขอย่างไรคะเป็นแบบนี้บ่อยๆคะ่ะพระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุว่าก่อนที่จะบริโภคอาหารให้เจริญให้พิจารณาอาหารก่อนที่เรียกว่าปฏิสังขาโยนิโสเกอให้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลถึงเหตุผลของการรับประทานอ า, าหาร ว่าเรารับประทานอาหารเพื่อระ ง, งับความหิวเรารับประทานอาหารเพื่อเพื่อป้องป้องกัน ร, รักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเพื่อรดเพื่อชาติแล้วขณะที่รับประทานก็ให้มีสติอยู่ทุกอิริยาบถของการรับประทานตั้งแต่ ตักอาหารเข้าปากเคี้ยวอาหารแล้วก็กลืนอาหารเข้าไปในปากเข้าไปในท้องขณะที่ขณะที่เคี้ยวอาหารก็ให้พิจารณาความเป็นปฏิปุลความไม่ดูไม่งามของอาหารที่มีอยู่ในปากอาหารที่เขาจัดมาอย่างสวยงามอยู่ในจานเวลาตักเข้าไปในปากแล้วก็ต้องสบรกรกเพราะจะต้องคลุกกับน้ําลายที่มีอยู่ในปาก แล้วก็ต้องถูกบดถูกเคี้ยวด้วยฟันถ้าอยากจะรู้ว่ามันไม่ได้ดูมันสกรปรกอย่างไรก็ลองคายมันออกมาใส่ไปในจานแล้วก็ลองตักมันขึ้นไปใหม่ดูถ้ารับประทานอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่เผลอและจะรับประทานไม่มากจะรับประทานพออิ่มพออยู่ได้แต่ถ้าไม่มีการปฏิสังขาโยนิโสไม่มีการพิจารณาก่อนจะรับประทาน และไม่มีการพิจารณาในระหว่างที่กำลังรับประทานไม่พิจารณาถึงอาหารเลยปฏิกรุสัญญาว่าอาหารที่อยู่ในปากนี้มันไม่น่าดูเลยมันไม่น่ารับประทานเลยมันคลุกเคล้ากับสิ่งที่สก ป, ประปกที่เราลังเกียจก็คือน้ำลายถ้าเราลองถุยน้ำลายใส่ไปในอาหารก่อนแล้วเราอยากจะตักขึ้นมารับประทานหรือไม่แต่ทาไมเวลามันอยู่ในปากเรารู้สึกว่าเราเคี้ยวอย่างอรดอร่อย ก็เพราะว่าเราไม่ใช้สติใช้ปัญญาในการพิจารณาค่าควรในเวลาที่เรารับประทานอาหารจึงทำให้เราหลงไหลคลัง่งไคล้ไปกับรสชาติของอาหารเมามันไปกับมันจนกระทั่งไม่สามารถที่จะหยุดมันได้จนกว่ามันจะแน่นท้องจนกระทั่งรับประทานไม่ไหวปัญหาก็เลยทำให้ร่างกายต้องมีน้ำหนักมากเกินไปมีโรคภัยต่างๆตามมาต่อไป คำถามข้อจากจไปจากคุณชั ย, ยพึกการตั้งใจสวดมนต์ทั้งเช้าและเย็นบางครั้งผมสวดมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลาเช่นถ้าช่วงเย็นกลับจากที่ทำงานจะสวดก่อนนอนบางครั้งสวดมากถ้าไม่ง่วงบางครั้งง่วงสวดน้อยอย่างนี้ถือว่ากิเลสเอาไปกินหรือเปล่าครับแต่จะไม่ขาดการสวดเลยนะครับ มันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยหลายด้านด้วยกันการที่เราไปทํางานทําการมันก็ทําให้เราเหน็ดเหนื่อยได้ก็จะทําให้เรี่ยวแรงที่จะมาใช้กับการไหว้พระสวดมนต์ก็จะมีน้อยก็ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะ อ, อยากปฏิบัติมากส่วนมากเราก็ต้องลดการทํางานของเราให้น้อยลงไปเพื่อให้เราจะได้มีกําลัง ที่จะมาใช้กับการส่วนมนกับการปฏิบัติธรรมถ้าเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เช่จนจากอาชีพที่เป็นลูกจ้างต้องทำงานตามเวลามาเป็นอาชีพอิสระเช่นมาขายขายประกันภัยขายอะไรที่เราสามารถเลือกเวลาของเราได้จะทำมากทำน้อยเราก็เลือกได้แล้วถ้าเรารู้จักประหยัดไม่ใช้เงินทอง ไปในทางที่ไม่จำเป็นได้การที่เราจะต้องหาเงินทองมากๆก็จะมีน้อยลงไปแล้วเราก็จะได้มีเวลามามาใช้ในการไหว้พระสวดมนต์ในการปฏิบัติธรรมได้คำถามข้อต่อไปจากคุณซูซานก่อนหน้าที่จะมาได้รับฟังธรรมมาจากพระอาจารย์ก่อนจะเข้าใจถะหลักธรรม เพื่อนได้พาไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลตามหลักเลขศาสตร์จากอาจารย์ท่านหนึ่งดิฉันควรจะกลับไปใช้ชื่อเดิมหรือชื่อปัจจุบันดีคะขอพระอาจารย์ได้โปรดชี้แนะด้วยคะ่ะก็โง่ครั้งเดียวแล้วยังยำทำโง่ซ้ำสองทำไมเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนกลับมันก็แสดงว่าโง่สองต่อ คำถามข้อต่อไปจากคุณชีวิตอิสระมาเดี่ยวไปเดี่ยวขอสรุปคำถามนะคะข้อที่หนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้าพี่น้องกับแม่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรตลอดยี่สถึงยีบห้าปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าและพี่น้องต่างมีครอบครัวกันหมดแล้วแยกบ้านอยู่กับแม่กันเพราะกลัวจะทะเลาะกับแม่ แต่ก็ส่งเสียเลี้ยงดูแม่เดือนละสองมืนบาทแม่ยังมีกิเลสมากยังอยากได้อยากมีอยากเป็นและชอบเปรียบเทียบกับบ้านอื่นที่เขารวยกว่าข้าพเจ้ากับพี่น้องฟังแล้วก็ได้แต่เงียบเพราะครัวจะเป็นบาปปกติเราก็จะพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศปีละสองครั้ง แต่เป็นรอบรอบประเทศไทยแต่แม่เห็นเพื่อนบ้านจะไปเที่ยวยุโรปและขอเขาไปด้วยโดยบอกบริษัททัวร์ให้มาเก็บค่าใช้จ่ายที่ลูกซึ่งพาละมาตกหนักที่ข้าพเจ้าลูกๆไม่มีใครชอบที่แม่ทำแบบนี้ อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าข้าพเจ้าและพี่น้องควรจะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรกับแม่ให้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันไม่ทุกข์ใจต่อกันคือการจะดูแลช่วยเหลือผู้นั้นท่านสอนว่าให้อยู่ในขอบเขตของอความจำเป็นและความเป็นไปได้ความจำเป็นก็คือ การดูแลด้วยปัจจัยสี่นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพที่ทุกคนจำเป็นจะต้องมีถ้าคุณแม่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในปัจจัยสี่เราก็ควรที่จะหามาให้ท่านแล้วหามาตามความเหมาะสมกับฐานะกำลังของเราเรามีฐานะที่จะซื้อของราคาในระดับไหนก็ซื้อมาในระดับนั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อระดับดีที่สุดถ้ามันมันเหนือความสามารถของเราการไม่ได้ทํให้ให้ดีที่สุดเกินความสามารถของเรานี้ไม่ได้เป็นบาปแต่อย่างใดไม่ได้เป็นการไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีเป็นอย่างใดแต่เป็นธรรมก็คือเป็นเหตุเป็นผลต้องรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักความสามารถของตนและรู้จักความต้องการของผู้อื่น ว่าสิ่งไหนให้กับเขาแล้วเขาอยู่ได้เขาไม่เดือดร้อนก็ถือว่าใช้ได้ส่วนอื่นนี้ถ้าเราไม่สามารถทำให้เขาได้แล้วเขาไม่สบายก็ไม่พอใจเขาโกรธเราเขาด่าเราเราก็ทำใจเฉยๆไว้ถ้าเขาเป็นผู้คนที่มีพระคุณกับเราเราก็นิ่งเฉยไว้ยกให้เขาคนหนึ่งถือว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเรา การไปพูดไปว่าไปเถียงกันนี่จะทำให้เสียความกระตันอยู่ไปนะคำถามข้อที่สองข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมมาได้เจ็ดปีแต่ไม่ก้าวหน้าอยู่แค่เบื้องต้นเคยได้ยินคำกล่าวว่าจะต้องเอาโหสิกรรมล้างเท้ามารดาถึงจะมีดวงตาเห็นธรรมอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่า จริงเท็จประการใดไม่จริงหรอกเพราะว่าถ้าล้างเท้าได้ปัแล้วบรรลุได้ปันนี้ก็บรรลุกันหมดแล้วง่ายจะตายไปล้างเท้ามันจะไปยากตรงไหนที่มันยากก็คือมันต้องปีกไม่เวกไปภาวนากันเรายังไม่ได้อยู่ถึงเรายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่นั่นเองจึง ท, ทำให้เรายังไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าเราปีกวมเวกบรรลุ ปีกวิเบกแล้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วรับรองได้ว่าภายในเจ็ดปีนี้จะไม่เป็นสิ่งที่เลยเถิดไปสามารถได้ผลอย่างแน่นอนผลอยู่ที่เหตุเหตุก็คือการปฏิบัติสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามนะคะกาบเรียนพระอาจารย์สุชาติที่เคารพสูงสุดวันนี้เป็นวันครบรอบที่แม่โยมเสียชีวิต ครบ11ปีป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์และเสียชีวิตด้วยอาการสำลักอาหารในตอนที่มีชีวิตอยู่แม่เป็นคนขี้เหนียวมากและมีมิจฉาทิฏฐิไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบทำบุญแต่ช่วงท้ายของชีวิตก็เปลี่ยนไปลูกๆพาเข้าวัดทำบุญทำทานมากพอสมควรโดยเฉพาะถวายเงินและทองกับหลวงตา บัดนี้แม่ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนคำถามข้อที่หนึ่งในฐานะที่โยมเป็นลูกโยมทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังมาโดยตลอดโยมจะสามารถช่วยเหลือตอบแทนบุญคุณของแม่ให้ดีที่สุดได้อย่างไรคะขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำด้วยค่ะ ก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำให้กับพระพุทธมารดาคือเบื้องต้นก็ต้องปฏิบัติให้ตนเองได้บรรลุธรรมมีพลังจิต ท, ที่สามารถจะอย่างทราบได้ว่าตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนเมื่อรู้ว่าแม่อยู่ตรงไหนก็ส่งกระแสจิตไปติดต่อกับแม่แล้วก็สอนทำให้กับแม่ถ้าแม่มีสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาเชื่อฟัง ก็จะสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ก็จะสามารถตอบแทนบุญคุณของแม่ได้หมดเลยคือการทำให้แม่ได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายและได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานจะสามารถบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ไม่เกินภายในเจ็ดชาติคำถามข้อที่สองกราบขออนุญาตถามว่า ถ้าปัญหานี้เป็นปัญหาของพระอาจารย์พระอาจารย์จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือว่าตอบแทนพระคุณของแม่อย่างดีที่สุดเจ้าคะก็ทำตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาหมดคำถามแล้วค่ะหลวงพ่อมีใครอยากจะถามบ้างไหมอ่เข้ามา กับเรียนพระอาจารย์ค่ะคือคําถามคือหนูมีเพื่อนคนหนึ่งปกติเขาจะเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็ปล่อยวางได้ดีอะค่ะตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงปัญหาในหน้าที่การงานนะคะแล้วกเ็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็หมอไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคอะไรนะคะในขณะที่เจ้าตัวยังบอกว่าเขาโอเคคือเขาไม่ได้เครียดไม่ได้มีอะไรเลยนะคะไม่ได้เครียดกับจะ ป, ปัญหาตรงนั้นนะคะตอนนี้เอ หนูสมมติฐานเองว่ามันจะเป็นอาการป่วยทางจิตได้ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเจ้าตัวไม่รู้ตัวว่าตัวเองเครียดหรือว่ามีาความเครียดตกค้างอย่างนะะี้ค่ะวิธีการที่เขาควรจะปฏิบัติเพื่อกําจัดความเครียดตกค้างในจิตควรจะทํำยังไงคะพระอาจารย์ก็ต้องภาวนาเจริญสติทําใจให้สงบแล้วความเครียดต่างๆก็จะหายไปความเครียดเกิดจากความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วเกิดความอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ได้ดังใจอยากก็เกิดความเครียดขึ้นมาถ้าหยุดระงับดับความคิดความอยากได้ด้วยการทำใจให้สงบความเครียก็จะหายไปชั่วคราวขณะที่ใจสงบแต่จะไม่หายไปอย่างถาวรถ้าอยากจะให้หายอย่างถาวรเวลาออกจากความสงบมาถ้าใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เครีย ก็ต้องพิจารณาเรื่องนั้นให้เห็นว่าเป็นตายรักเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราเพราะเขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะปล่อยวางได้หยุดความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ความเครียดที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปอย่างถาวร อีกคำถามนึงค่ะพระอาจารย์คือเวลาที่เราทําบุญให้บรรพบุรุษ น, นะคะเราก็ต้องมีเท่ากระดูกข้ก็มาด้วยตรงนี้เป็นเพียงกุศโลบายหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะพระอาจารย์ก็ให้เราดูอนาคตของเราว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทจะได้รีบทําบุญเสียแต่วันนี้เพื่อเวลาเราตายไปแล้วเกิดลูกหลานเราก็ไม่ทําบุญให้เราเราก็ไม่ต้องมาวิตกกังวลกับเขา เพราะเรามีบุญติดตัวไปถ้าเราไม่ทำบุญแล้วเรามีลูกมีหลานที่ไม่มีศรัทธาในเรื่องการทำบุญเราก็จะไม่มีใครส่งสเสบียงไปให้เรากลับขอบพระคุณค่ะมีใครอยากจะถามอีกไห ม, มถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ